จะออกมาทั้งสองด้านทั้งที่เป็นปรมัตดและทั้งที่เป็นสมมุตินะที่นี่ของนํามธรรมเนี่ยมันก็ปรมัตดมันก็จะออกมาในแง่ของความรู้สึกของใครข้อมันนะเป็นทางใจแต่แง่สื่อปรมัตดอางาสมมุติก็จะมีสองส่วนหนึ่งทางด้านวาจีกรรมคือการแสดงออกมาเป็นคําพูดนะในส่วนที่กายกรรมออก็จะแสดงมาเป็นการกระทํา ซึ่งวิธีการกระทำสื่อความหมายทางกายกรรมเนี่ยมันก็ยังไม่ละเอียดชัดเจนก็ต้องอธิบายความหมายเช mm hmm. ่นมาว่าจะลุกไปเดินไปยมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่พอมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำหน่อย mm hmm. ก็จะรู้ว่าการสื่อความหมายที่ลุกไปนั้นคือไปห้องน้า แต่ถ้ามาไม่บอกว่าเออไปห้องน้ำนี่ก็ไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันดัง น, นั้นภาษาทางกายกรรมนะ่จึงไม่ครบต้องใช้ภาษาทางวิชีกรรมเข้าไปอีกนะดังนั้นเองในการปฏิบัติที่เป็นนา ม, มาทำรรก็ยิ่งยากไปอีกว่าเออการขณะนี้ข้าพเจ้าจริดสติที่เป็นประมติในใจของใครของมันที่ทางกายกรรมของการแสดงออกอย่ามีสติคือทาอย่างไร ทีนี้างคลก็พยายามที่แสดงออกอย่างระมัดระวังมงคลก็แสดงออกอย่างรวดเร็วแต่ก็มีสติเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าการแสดงออกอย่างเจริญสติอย่างระมัดระวังควรจะช้าแค่ไหนควรจะเร็วแค่ไหนถือว่าเจริญสติและการเจริญสติอย่างรวดเร็วควรจะเร็วแค่ไหนถึงได้ชื่อว่ามีการเจริญสติ เราจะรู้กันไม่ได้เลยเฉพาะกายกรรมเพราะการเคลื่อนไหวคนที่ไม่มีสติกับคนมีสติบางครั้งมันก็ใกล้เคียงกันดัง น, นั้นมันก็จะต้องมีการอธิบายใช้วิธีกรรมเข้ามาช่วยอธิบายว่าเออการความแตกต่างของการเคลื่อนไหวแบบมีสติต้องเป็นอย่างนี้นะแบบไม่มีสติต้องเป็นอย่างนี้ก็มาทําความเข้าใจอีกทีนี้ก็เรียกว่าเป็นสมมติทางภาษาเมื่อการ รายงานการสี่ขอหมายก็จึงเป็นเรื่องจําเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้วิธีนี้นะแต่วิธีหนึ่งที่เขานํามาใช้กันในแง่ของมหายาณที่ว่าเรียกเซนแต่สมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วโดยการชูดอกบัวขึ้นหนึ่งดอกทีนี้พระฟังก็เปิดร้อยเป็นพันในนะั้นมีคนเดียวที่เข้าใจได้คือมหาไกส์สะบัว่าหมายความว่าอย่างไร นอกนั้นไม่เข้าใจเลยนี่ฝ่ายมหายานก็ถือเอาการแสดงธรรมโดยประมัิแค่กายกรรมเนี่ยมาเป็นลัทธิเรียกว่าเินในพุทธศาสนาที่ใช้เพ่งกั้ไปภายในได้สีความหมายภายในกลุ่มกันเองก็ เ, เป็นที่นิยมเหมือนกันทุกวั น, นแต่ในเทรวาดแล้วเป็นเถรวาดเราก็ใช้สีความหมายทางภาษา ออกมาเป็นตำราพระไตรปิฎกเราออกมาเป็นคำสอนทางวิจิกรรมมากมายนะแม้แต่เองการรายงานก็มีความหมายว่าเราจะสือ่อความหมายทางด้านการใช้ภาษาพูดส่วนใครจะสือ่อความหมายได้ละเอียดได้ประณีตได้ลึกซึ้งแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสภาวะภายในด้วยทางด้านมนุ ก, กรรมกาะอ่านภาษากายของตัวเองออตัวเองออกได้มากแค่ไหน ก็จ ะ, จะสร้างออกมาเป็นทางวิจีกรรมนะ น, นั่เองการรายงานหรือการออพูดถึงเรื่องสภาวะที่ภายในข้องตู้มีอยู่นั้นก็จะบ่งบอกถึงความละเอียดประณีตภายในนะบางคนก็ใช้ภาษาถึงแม้ว่าจะไม่ใช้ภาษาฟรียยติแต่ก็สามารถใช้ภาษาสมมติตามที่เราเข้าใจนี่ยคนอื่นเข้าใจได้ ไม่ใช่เผมฉันไม่รู้ปริยัติไม่พูดอะไรไม่ได้มากไม่จริงในสมัยนั้นก็ไม่มีหลวงปู่หลวงตาที่ท่านเข้าถึงทำแล้วท่านาบรรยายธรรมได้ลึกซึ้งโดยที่ไม่ต้องอาศัยภา ษ, าษาปริยัติได้ก็มีขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถอ่านกายอ่านใจของเราได้ละเอียดแค่ไหนแด้สะท้อนออกมาเป็นภาษาสมุติได้ปรณีแค่ไหนที น, นี้เราก็จำเป็นต้องมีการเรียนรู้เพราะมันจะเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ เขาเรีว่านิลุกติภาษาหรือนิลุกติปฏิสัมพิธาะที่สามารถที่จะใช้ภาษาได้หลายแง่แลายมุมโดยที่คนเข้าใจง่ายอันนี้แล้วก็ฝึกฝนเอาไว้วิทีปฏิปทาปฏิสัมพิธาบางอย่างเราไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นโดยองค์ธรรมแต่ด้วยการฝึกฝนนิลุกติปฏิสัมพิธาธรรมาปฏิสัมพิธาปฏิภาณปฏิสัมพิธาปฏสัมพิธาสี่ อันช่วงเช้านี้เราจะเริ่มต้นที่พระก่อนน ะ, ะถ้าหากว่าทั้งหมดพระทั้งสี่รูปจบเวลาอาจจะหมดช่วงเช้าถึงฉันพอดีที่หลังจากฉันเสร็จแล้วทำํำร้อยส่วนตัวเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่นี่เหมือนเดิมก็เป็นโอกาสของโยมได้ทําหน้าที่ใช้สีภายซาอย่างที่กล่าวมาเราจะมีเวลาถึงอย่างวันนี้ก็บอกเมื่อครัวว่าเขาเวลาถึง สิบอาจจะเป็นสิบโมงครึ่งหรือสิบเอดโมงก็ได้แล้วก็อาจจะบอกในครัวไว้ล่กหน้ า, าว่าจับใดที่เรายังไม่เสร็จพะละเราก็ยังไม่จะทันเพินแถ้าไม่เสร็จก่อนเราก็ไปบอกก่อนได้นะอันนี้ก็ เ, เตรียมไว้ด้วยั้นช่วงเช้านี่เราจะเริ่มต้นดีท่านหดูสิท่านสิทธิ์เป็นครรการครูสอนอยู่ที่แพรเนี่ยเราไปขอไปขอบวช ด, ดวยมาที่วัดดอยเามาแล้วเออ ช่วงนันยังไม่พร้อมเอามาบทแล้วให้มารออยู่ที่นี่ก่อนอท่านก็มารออยู่ที่นี่ปฏิบัติอยู่กับพระญาติเกษินช่วงนี้ยังไม่ถึงเดือนมั้งถึงเรียนยั ง, ย ง, ไ, มงไม่ถึงเดือนน ะ, ะในช่วงที่เขาอยู่ปฏิบัติที่นี่เขาคอร์สกับเราด้วยอยู่พระญาติเกสินด้วยท่านเข้าใจในการเจริญสติแบบนี้อย่างไรได้บ้างถ้าจะเล่าให้ฟังก่อนครับสําหรับการปฏิบัติการเจริญสตินะครับก็คือเรื่องของการ แยกในเรื่องของความาความรู้สึกตัวนะครับความรู้สึกตัวพยายามใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะครับอมองเข้าไปถึงในเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับแยกออกมาเป็นนะทั้งอ า, อาการที่เกิดขึ้นทั้งภายในและก็ภายนอกนะครับ ให้ใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างภายในก็เป็นในเรื่องของความคิดอาการทางกายนะครับที่รู้สึกถึงภาวะของความร้อนความเจ็บนะครับแล้วก็ส่วนาภาวะทางภายนอกก็คืออย่างสภาพของ อากาศนะครับสภาพของสิ่งแวดล้อมนะครับคือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวของเรานะครับแล้วเราก็ใช้ความรู้สึกตัวเนี้ยไปรับรู้นะครับแล้วก็คือเป็นการรับรู้เฉยเฉยนะครับเป็นการรับรู้ที่เราไม่ต้องเอาความรู้สึกเข้าไปยึดปิดนะครับไม่ ไม่อาความรู้สึกเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเอาความรู้สึกเข้าไปจับตัวกับอาการเหล่านี้นะครับเราก็จะมีเราไม่สามารถจะแยกความรู้สึกกับอาการได้นะครับมันทําให้ความรู้สึกกับอาการเนี่ยอจะปิดจับพัวพันกันไปเลยนะครับสําหรับตัวของผมเนี่ยนะครับอ่านได้ทําการปฏิบัติมาเนี่ยนะครับก็ สามารถราบรู้ในเรื่องของความรู้สึกนะครับที่เกิดขึ้นกับอาการต่างๆได้นะครับแต่ก็ถามว่าแยกออกจากกาันได้เลยหรือไม่นะครับก็ไม่สามารถจะแยกออกได้นะครับเพราะว่าจะต้องใช้ เ, เวลานในการทําเจริญสตินะครับถ้าสมมติว่าเร า, เายังไม่ได้ทำในช่วงนี้นะครับไม่ได้ทาก็ไปใช้สภาวะ ทางปกตินะครับคือไม่ได้นั่งเจริญสติอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้เรายังไม่คุ้นเคยนะครับนี่ไม่ชินดังนั้นจะต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติฝึกบ่อยๆนะครับถามว่าตอนนี้ก็กพยายามจะอมองให้เห็นนะครับโดยการฝึกปฏิบัตินะครับ วิธีจัดการกับความคิดนะครับสอนการจัดการด้วยกับความคิดเนี่ยก็พยายามจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับผมผมเนี่ยจะไม่จะไม่เข้าไปจัดการนะครับถ้าเข้าไปจัดการเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยกําลังจะใช้ความรู้สึ <Man. S 2> กนะครับเข้าไปร่วมกับความคิดนะครับดังนั้นถ้าความคิดเข้ามานะครับเราก็ปล่อยให้เขาเข้ามาตามธรรมชาตินะครับก็ เพราะว่าในความคิดของของเราเนี่ยนะครับมันจะมีหลายเรื่องมากนะครับถ้าเราเราใช้ความรู้สึกลองสังเกตลองดูความคิดจริงๆนะครับความรู้สึกสังเกตแล้วก็ดูความคิดจริงจริงเราจะเห็นว่ามีความคิดมากมายหลายอย่างนะครับที่แล่นเข้ามาในหัวเรานะครับเข้ามาเยอะมากนะครับถ้าสมมติว่ามีเข้ามาเรื่องนึงแล้วนะครับแล้วเรามา กลับมาอยู่กับความรู้สึกที่เราอยู่กับภาวะปัจจุบันนะครับด้วยอาศัยนะครับการสัมผัสความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นนะครับแล้วเรากลับมาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าความคิดของเรานะครับเริ่มมีการเปลี่ยนนะมันจะมีเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราเอาความรู้สึกไปจับกับความคิด ที่มันแว บ, บเข้ามาเรื่องแรกนะครับความรู้สึกของเราก็จะติดไปกับความคิดที่มันแว บ, บมาเรื่องแรกนะครับแล้วความคิดมันก็จะวนกลับมาอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวิธีการจัดการของผมครับอความคิดที่สําหรับการเอามาใช้งานกับความคิดที่มันรับเกิดขึ้นมาในการทําสมาธินี่จะเยอะเยอะมากนะครับ เพราะว่ามันมีหลายความคิดที่มันแววเข้ามาสําหรับความคิดที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยคือเป็นความคิดที่เอเป็นความคิดที่เราต้องอาศัยในเรื่องของสมาธิก็เป็นความคิดที่มันมุ่งมั่นนะครับมุ่งมั่นนะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็คือถ้าเรามีความคิดที่เรามุ่งมั่นแล้วจะคิดจะทําอะไรจะทํางานอะไรอย่างไรอย่หนึ่งแล้วนะครับมันจะมีในเรื่องของสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ แต่ถามว่ามีความคิดอื่นที่แว็บเข้ามาไหมก็มีนะครับแต่ว่าเราจะาสู้กับความคิดที่เรามีสมาธิแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำตัวนี้มันจะน้อยกว่านะครับครับเรวิจัยต่อนิดหนึ่งนะว่าท่านใช้ภาษา เราอาจจะมีคุณใช้แยกเป็น3มอย่างมีความคิดอาการและความรู้สึกนะอาการนี้เข้าใจก็จะเป็นเวทนาใช่ไหมั็เวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเคืงตึงนี่สมมติว่าเป็นอาการตามที่ท่านพูดถึงนะแต่ความรู้สึกก็คือความรู้สึกก็หมายถึงว่าความรู้สึกที่เป็นสติที่เราตั้งใจทำมาเป็นความรู้สึก แต่ผมถามว่าความคิดเกี่ยวกับการใช้งานกับความคิดที่เข้ามาโดยไม่ได้ใช้งานเนี่ยต่างกันอย่างไรจัด ก, การอย่างไรความคิดใช้งานเช่นเราจะไปข้อห้องน้ําเนี่ยเราก็คิดว่าจะไปะถ้ามีความรู้สึกมาร่วมคือเรามีการลําดับอาการว่าเราจะลุกอย่างไรจะเดินอย่างไรจะไปถึงห้องน้ำแต่ในช่วงที่เราเดินจากจุดนี้ไปห้องน้ํามันมีความคิดที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของงาน เพราะเขาคิดในเรื่องของงานคือไปห้องน้ามันจบไปแล้วเรากำลังทําตามอยู่ใช่ไหมแต่ในช่วงนั้นมีความคิดออื่นแทรกเข้ามานั่นเรีความคิดที่ไม่ได้ใช้งานความคิดที่มีมากกว่าสังเกตไหครับหรือบางทีความคิดที่ใช้งานว่าเออดีเสียงะระฆังเดี๋ยวจะไปรับประทานเช้านะมันก็คิดว่าจะไปก็จบแต่ในช่วงที่เราจะประคองตัวเองลุกขึ้นไปเพื่อที่จะไปตู้อาหารไปรับบา มันก็มีความผิดเยอะแยะเข้ามาซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ใช้งานมันมีมากกว่าสังเกตนะครับฮะตัวนี้คือสิ่งที่ผมถามว่าใ น, นความรู้สึกสองอาการที่ใช้คำว่าเวทนาหรือคําว่าอาการคือเวทนาเรียว่าความความรู้สึกทางกายแต่ความรู้สึกที่ใช้ว่าเข้าไปดูอาการต่างๆของกายละใจเรียกว่าความรู้สึกทางใจเรียกว่าสติ แต่ความคิดเพื่อการใช้งานคือสติสมาธิปัญญาที่จะไปอย่างไรนะมันพอตั้งแล้วจะไปไหนมันก็จบแล้วแต่ความคิดที่ตามเข้ามาทีหลังะตัวตนี้สําคัญความคิดที่ไม่ได้ใช้งานน่ยเป็นมันลักคิดขโวยคิดเผลอคิดแล้วก็วิจัยวิจารณ์ไปตามเหตุว่าจะช่วงที่เราลูกจากที่นี่ไปหาตัวอาหารนะมันคิดได้ตั้งหลายเรื่องแต่เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นและไร้สาระทั้งนั้นแต่เราก็ไม่รู้เท่าทันมัน อันนี้เข้าใจได้ใช่ไหมครับแกไขได้จะไปท่านบอกรับโอกานรศการหลวงพ่อครับแล้วก็จะเริยพอรอยาดยมทุกท่านนะครับผมชื่อ๊อกนะครับลาบวชปัจจุบันนี้ทำงนานอยู่ที่การรไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับผมแล้วก็ได้โอกาสลามาบวชได้สี่เดือนนะครับผมแต่ตอนนี้เพิ่งฝึกมาได้ ปกีกว่าครับมาทางสายนี้คือก็ไปเข้าคอสของหลวงตาตริยามาสองครั้งครับแล้วก็มาเข้ากับหลวงพ่อครั้งหนึ่งที่เป็นคอสใหญ่ๆนะครับที่หนองพักรอดแล้วก็ได้พึ่งลามาบวชได้เดือนหนึ่งครับก็จากที่ได้ปฏิบัติมานะครับผมเข้าใจว่าความรู้สึกตัวเนี่ยกับความคิดเนี่ยมันเหมือนเป็นทางคู่ขนาดกัน ถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยความคิดก็จะไม่ไม่มีนะครับผมแล้วก็ที่มาปฏิบัติที่นี่นะครับช่วงวันแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันร้อนมากครับผมคือช่วงเช้าเนี่ยจะปฏิบัติได้ดีแต่ช่วงบ่ายเนี่ยจะปฏิบัติได้ยากหน่อยปกติเนี่ยผมจะเป็นคนชอบเดินจงกรมซะมากกว่านะครับการนั่งปฏิบัติเนี่ยจะ ทำได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะติดตัวง่วงครับผมแต่พอมาที่นี่เนี่ยมันรู้สึกว่าช่วงบ่ายเนี่ยมันเดินไม่ค่อยไหวทําให้นั่งสร้างจังหวะก็ไม่ค่อยไหวมาครั้งผมก็ใช้วิธีการคลึงนิ้วพยายามทําให้กระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยผมเหมือนพยายามเดินแล้วก็พยายามขึงนิ้วเนี่ยแต่ไปบังคับให้มัน เหมือนไปเพ่งมากไปบางครั้งมันทำให้มันจะตึงๆที่ศีระครับแล้วมีครั้งหนึ่งเนี่ยได้ไปคุยกับคนอันมวยเนี่ยเขาให้คําแนะนําว่าให้เราเนี่ยรับรู้ผ่านอายตนะโดยไม่ต้องไปบองคับไม่ต้องไปเพ่งอะไรมันทําให้วันหลังๆเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นนะครับผมแล้วส่วนใหญ่ทุกวันก็จะเป็นแบบเนี้ช่วงเช้าก็จะรู้สึก ปฏิบัติได้สบายช่วงบ่ายก็จะปฏิบัติได้ยากแล้วก็เด็ดมันจะมีช่วงประมาณสี่โมงถึงห้าโมงนะครับมันจะเหมือนปฏิบัติได้ดีเพราะว่ามันจะได้สภาวะที่เหมือนหลวงพ่อบอกว่ามันจะไม่เอาอะไรมันจะสบายๆเด็ดจะนี้อยู่ช่วงหนึ่งวันหนึ่งก็จะประมาณชั่วโมงหนึ่งอะครับที่ปฏิบัติได้ดีประมาณนี้ครับนอกนั้นก็จะมีฟุงฟ้งฟุ้งซ่านบ้างมี มีเบื่อเบอื่บอมากมาคลอนี้อากาศร้อนมาเกินรู้สึกเบื่อม า, นาอกนัก็บางครั้งก็พยายามเอาน้ํามาพรมบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามจะสู้กับมั น, น <c oughs> สู้กับความร้อนแก้แก้ความร้อนอมันก็เอาน้าํามาพรมบาครั้งก็ จะไม่เคลื่อนไหวมากพยายามคึงคึงนิ้วให้รู้สึกตัวพอครับที่มีความร้อนนี้เราทาอะไรมันไม่ได้ดีความร้อนค่วนใหญ่ก็แกจับการพรมน้ํำแต่จะพยายามไม่ค่อยไปงดหงิดกับมันมากครับพยายาวดีผมไม่ร้อนจะทำได้ยังไงครับหมายความว่าร้อนในอากาศร้อนน่าแกทำได้ดีกว่าอากาศไม่้อนผม อากาศไม่ร้อนนะทำได้ดีกว่าพอเจอวิเคาะห์พราะอะไรเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเหมือนเราไปมีอารมณ์ร่วมกับมันก็เลยทำให้เราเบื่อเบื่อหมดหิริคลุ้งคลา่นนะครับอันนี้คนจริงวันนีมน้มีคนเมื่อวานมีคนแชร์บอกว่าปีนี้ประเทศไทย อุณหภูกิขึ้นไปที่สามของโลกที่หนึ่งคืออินเดียที่สองคือไนเจีเรียที่สามคือเมืองไทย 44.3 น้ำมาก็เลยบอกว่าไม่ประเทศไทยเสียช้ำ ม, มันน่าจะได้สัก45เพราะอะไรความรู้สึกตัวทุกฟองมันจะได้เข้มแข็งขึ้นไม่ต้องทาอะไรมากมัจะรู้สึกจะได้บรู้ทํากันง่ายๆไม่ต้องนั่งสร้างจังหวะลาบากไม่ต้องทําอะไรเลยแค่อยู่เฉยๆก็รู้สึกตัวทุกฟองแล้วมาชดต่อไาเลย ประเทศไทยเสียแชมป์ก็เรามองอยู่ที่การมองนะถ้าเรามองในมุมกลับเนี่ยอุณหภูมิและความร้อนแรงเนี่ยมันก็ไปส่วนให้เราตื่นตัวได้มากกว่าความเฉ่ยความสบายใช่ไหมเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิระหว่างความสุขความทุกข์ให้พอดีกันได้แต่ถ้าเราเป็นสัตว์ในใบอุณภูมิเขาจะทุกข์จมอยู่ในความทุกข์จนไม่สามารถที่จะ ดึงจิตออกมารับรู้กับความไม่ทุกข์ซึ่งมันก็มีอยู่แต่คำว่าสัตในใบภูมิเามาไม่ได้หมายถึงสัตว์ในนรกหมายถึงคนที่เขาจมอยู่ในทุกขเวทนาเนี่ยถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นอนใยภูมิเพราะนั้นคนที่ทํางานหนักทั้งหลายตากแดดตากฝนตากหรือรที่ไม่ไอกลัวด้วยความร้อนทั้งหลายเนี่ยทั้งที่ร้อนแผงๆค่อยสามารถอยู่ทํางานอยู่กลางแดดกลางนั่นถึงเราหลบอยู่ในที่ อ่าปลอดภัยแต่คนอีเ้าพวกหนึ่งที่เขาต้องการเงินต้องการอะไรตอบสนองรายได้สูงชั่วโมงหชั่วโมงสูงจะร้อนเท่าหละเขาก็ทําไดน้นี่เขาเรียกว่าพวกอบายภูมิเขาสามารถทนต่อความร้อนได้ขอให้มีสิ่งตอบสนองเขาคนพวกนี้ก็จะบรรลุทำยากเพราะว่ามันเวทน า, มมาแรงเกินไปแต่คนนี้พวกหนึ่งเขาก็จะกลัวมากเข า, ขาพออุณหภูมิสูงเขาก็จะหลกอยู่ในห้อง ห้องอปรับอากาศที่เย็นชำ่ำทั้งๆที่ข้างนอกน้นมันร้อนจะไม่แต่เขาก็เย็นสบายพวกนี้เกิดในสุกติสัตว์ที่เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมก็จะหลบอยู่ในที่อากาศที่สบายเพราะเขามีความสามารถจัดการจัดการเวทนาหายสุขุย ด, ดานตามที่เขาต้องการได้พวกนี้จะมีสถานภาพการเงินกันศึกษาสูงก็สามารถจัดการเวทนาได้ตามต้องการ พวกนี้นก็จะจะติดในความสุขก็ไม่สามารถจะบรรลุทำได้เหมือนกันเพราะว่าปฏิกริริยเวทนามันเป็นความไม่พอดีเหมือนที่มากล่าวในวันก่อนเหล็กถ้าไปเผาไฟตลอดก็อ่อนเอาไปแช่น้ําตลอดมันก็เป็นสนิมแต่ถ้าเอาเผาไฟบ้างแช่น้ำบ้างมันก็เป็นที่เหล็กที่เหนียวที่แข็งคือภูมนุษย์จะทําได้มีสามารถรับได้ทั้งอากาศร้อนอากาศเย็นในเวลาเดียวกันคือมีการปรับแต่ละเวลาออถ้ามันร้อนก็ปรับให้เย็นหน่อยถ้ามันเ็เกินก็ปรับให้ร้อนอีกขึ้นนิดหนึ่ง คนเหล่านี้จะเป็นเหล็กที่เหนียวที่แข็งมีความคมในการที่จะจัดการคือมันเป็นจิตที่เข้มแข็งจิตที่เกิดปัญญาแล้วมคมสามารถที่ชํำระกิเลสได้คือใ น, ในมนุษย์ภูมินี่เองคนะือความยิงมนุษย์นี่แหละบางครัง้งเราก็เป็นเทวดาอินพรหมบางครัง้งเราก็เป็นสดาเบญภูมิขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่มาตอบสนอง <c oughs> ส, สร้างแรงจูงใจให้เราไปไปกับสิ่งนั้นนะมันมัน <c oughs> มันมันมันถูกกับกิเด็ของเราไหมนะอย่างพวกเทวดาอินพรห ม, พมพคืออยู่สบายๆเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการที่จะจัดสรรอากาศเหมาะ ก, ก็เขาได้แต่พวกสาระเบญภูมินี่เป็นคนยากคนจนคนที่ต้องการเงินทองเป็นหนี้เป็นสินสูงเมื่อชั่วโมงละพันบาทเนี่ยเรายัางไงก็ต้องสูงเลินแตกของเรายอมสบายมากแต่ขอให้ราคาชั่วโมงสูงก็พอลักษณะ น, นี้เขาก็เป็นทุกข์อยู่เขาก็ยอมในการที่จะเวทนาเข้าไปแลก ก็เป็นอบับอายภูมิก็บรรูปทำยากอยู่นะดังนั้นก็เลยว่าตัวร้อนตัวตัวหนาวเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขที่เราน่ากลัวขึ้นอยู่กันใช้จะใช้เป็นหรือไม่เป็นเนี่ยใช่ไหมมีสำคัญกว่านะช่วงเช้าเราได้แค่ผ้าสองรูปนะเดี๋ยวเร้จะยิเสีย ง, ะ ร, งะระฆังระบ้าหานนะเรากลับพาไ ป, ะประบ้านา น, นก่อนแล้วก็ช่วงสายหลังจากเราหาร ท, ทําเครื่องสูงโดยเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ใหม่ คนะนก็พาลาเราด้วยเรียกกรเพราพร้อมกันนะ